ความมืดของวัตะวนไม่เหมือนความมืดแห่งดินฝ้าอากาศผิดกันอยู่มากมายความมืดของดินฝ้าอากาศนี่มีมืดมีสว่างผ่าเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยแต่ความมืดของวัตะวลนภายในจิตใจของสัตว์โลกค่อยๆไป เป็นความมืด อ, อยู่อย่างนั้นโดยสม่ำเสมอไม่ปรากฏว่ามีความสว่างเอาไเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนอย่างวิญญาอากาศนั่นเลยเพราะนั้นมนุษย์สัตว์ที่มาเกิดซึงมาเกิดด้วยความมืด อ, อยู่ด้วยความมืด ตายไปด้วยความมืดและไปเกิดอีกก็ด้วยความมืดเพราะอะไรทิ้งมามืดมืดเพราะไม่รู้มาเกิดก่อนจะมาเกิดก็ก็ไม่ทราบวาจะไปเกิดที่ไใ่ตื้นไปนั่นแหะเหมือนฟุตบอลอะไรกันหรอแล้วแต่กรรมจะพาไปทันท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 เราไปได้อย่างสะดวกสบายเช่นจากนี้ไปกรุงเทพจากกรุงเทพมาที่นี่เราเคยไปเคยมาแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไปสู่ที่อื่นเรารู้คุยหมายป้ายทางอยู่แล้วเราก็ไม่ลำบากไปไม่ผิดแต่นี้น่ะเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าลไม่ทราบ ก, กี่ครั้งกี่หนกี่พบกี่หาย กี่กำเนิดของสัตว์ของบุคคลของอะไรก็แล้วแต่มันสับปนละคนอยู่ภายในมนุษย์แต่ละคนลคนภายในสัตว์แต่ละลายละลาจนนับไม่ทั่วเพียงรายเดียวเท่านั้นอ่ะที่เป็นความสลับซับซ้อนซ้ำซ้ำซับซากในความเกิดตายของตัวเองแต่เราก็ไม่สรบได้ว่าเคยเกิดเป็นอะไรบ้างอยู่สถานที่ไหนบ้าง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 ขับพลรถคนกันอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วไปที่ไหนที่จะมาเจอป่าช้าของสารโลกผู้มืดบอดมีเหรอไม่มีตายททต้มตับสาตายทับตายผมทั้งเขาทั้งเรามันเป็นแบบเดียวกันมาเรื่ความมืดบอดที่ไม่เข้าใจตัวเองเลยแค่เข้าใจเรื่องของตัวเองนี่นันเป็นทางมองเดียวกันนี้มันเต็มโลกเป็มองศาลแล้วสถานที่ใด้จะมาเหยียบป่าช้าของเขาและของเราานั้น มันเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้ถ้าตามหลักความจริงเหตุธรรมที่ท่านสอนนว่แหละนี่เรียกว่าความมืดบอดมันเป็นอย่างนี้เ่ทั้งที่รู้รู้อยู่มันก็สับแตว่ารู้อยู่เท่านั้นรู้วิถีทางเป็นมาของเรามีความหนักเบามากน้อ ย, นยอย่างไรนี่มีความสุขความสบายยังไง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 อย่างนี้ก็ดีให้เกิดเป็นสัตว์ก็ดีเหตุผลตามหลักของธรรมตามหลักธรรมชาติมีที่นี่เราไม่รู้ที่นี่เราจะเอาคําไม่รู้นี่ว่ะเราไม่เคยเกิดเราไม่เคยตายมาดืนกันอันนี้มาลบล้างความจริงวันนั้นมันก็ลบล้างไม่ได้ถ้ามันไม่จริงทามันจริงก็ไม่เรียกว่าเรามืดบอด เพราะเราทราบตามความจริงนั้นนี่เราไม่ทราบเวลามาก็อาศัยกรรมซึเือเรามาเกิดเป็นมนุษย์ความดุร้ายศาสนาที่เคยได้สั่งสมไว้แล้วตั้งแต่บุพเพฆาเป็นลําดับสลำดับมาแล้วก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะแตะนั้นอุปนิสัยของเร า, ายังมีอยู่ภายในจิตใจมันเป็นบันดาลให้พบสาสนธรรมอันเป็นประที่รวงไป สองแสงสว่างให้เป็นทางเดินของเรารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้เชั่วเอจะเลยละเว้นในสิ่งที่ไม่ควรและบำเพ็ญในสิ่งที่ควรส่รงเสริมในสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจของตงนแล้วให้มีความเจริญยิย่งขึ้นในการข้างหน้าแม่เราจะไม่มีความสา ม, มารถที่จะแทงทะลุผูกพวงไป ในภพครานั้ น, น, นๆก็อาศัยกรรมมีเป็นเครื่องแทนเขาเป็นผู้พาพาเก้าไปเป็นผู้พยิงเป็นผู้ชักจูงหรือเป็นผู้สนับสนุนให้เราไปท่านจึงให้เชื่อกันเพราะเรายังไม่สามารถในตัวของเราเองเราต้องเชื่อกันถ้าสามารถแล้วกรรมวกรรมก็หมดปัญหาไปดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่าน แต่ว่ากิริยาที่ทำในอัตภาพที่พ้นไปแล้วนั้นนักขณะที่พ้นไปแล้วคำว่ากรรมก็ไม่สามารถที่จะเยียัยาทําลายจิตใจของท่านได้อีกต่อไปจึงว่ากรรมไม่มีปัญหาท่านผู้เชินั้นแล้วแต่เรานี้ไม่ยังไม่มีความสามารถขนาะนั้นจึงต้องอาศัยการสร้างความดีเพื่อเป็นเครื่องสนับส น, นุนเป็นเฉลิมพิอันดีงามเป็นทางที่ถูกต้องให้เราได้อาศัยเกาะไปกับสิ่งที่ดีนั้น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 เวลาความจริงหรือเราเป็นผู้ชั่วกาลเราทุนอุตส่าห์พยายามที่จะยากลําบากขนาดไหนก็ตามดังที่เราทั้งหลายเอาบำเพ็นกันอยู่เรื่องนี้ไม่ว่าฝ่ายนักบวชไม่ว่าผูมคณะศรัทธาทั้งหลายที่มาก็ต้องมีความลําบากต้องฝ่าฟื้นเพราะอยากดีอยากรู้อยากได้ของดี ซึ่งเป็นทางที่ชอบตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้วิริยะวิริยะมีความท่าเพียรขันติความอดความทนบุกบุญวุสาพยายามอยู่เช่นนั้นคือว่าสิทมีครูเราจะได้อาศัยอันนี้แหละเป็นเครื่องคุดุงจิตใจของเราให้เข้าสู่ระดับมันสูงจะเป็นความสว่างไปด้วยอนนานาจแห่งกุศล ผู้สนุ่นทให้สว่างไปหากเรามีความสามารถที่จะทำแสงสว่างคือปัญญายาณให้เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติของเราในชาตินี้ก็ยิ่งดียิ่งจะประจักเรียกว่าสว่างไปอย่างเป็นที่เหมือนดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นผู้สว่าง แต่ถ้ารู้ปู่ทรงได้เหมาะไม่มีในหนะือที่จะปิดบางได้ตามหลักธรรมท่านว่าวันสี่แยกเป็นสีแน่แขนสีประเภทโมตมะปราญโนทั้งมืดมาทั้งมืดไปโมโชติปราญโนมืดมาแต่สว่างไป โชติโชติปราญโญทั้งสว่างมาทั้งสว่างไปมีหมายถึงความสว่างเด้วยกุศลเลิกการประพฤติว่าขมามืดมามื ด, มามดไปนั่นก็ถ้าเกิดก็จักัดว่ามาเกิดเกิดแล้วเพียงแต่ร่างเป็นมนุษย์จิตใจที่จะไปต่อบุญกับกุศลเชื่อต่อบากต่อบุญนั้นไม่มีเลยเรื่องความมืดมาก็มืดมาอย่างนั้นนดูก็มืดดูไปก็มืดไป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 ผู้สว่างมาและสว่างไปโชติโชติปรายโนหมายถึงเวลามมาเกิดตั้งแต่เริ่มแค่รู้เดียงสาภาวะมาก็พยายามทาแต่ความดีเรื่อยมาตนกรทั่งอาวสานแห่งชีวิตตั้งแต่ต้นนะมืดมาสว่างมาสว่างไปเรื่อยนี่เแยกได้หลายประเภทนี่แสดงแต่เพียงเอกเทศเท่านั้นที่อธิบายนี้ไม่ใช่หรอกแต่จแจง้งให้ผก้แนงแสดงตั้ง แต่แปลว่าหลักใหญ่พอให้เราได้นมามาําไปคิดเจรจาคำว่ามืดนั่นมืดเพราะอะไรมืดเพราะที่เดชตันหาสะวะมืดเพราะบาปอกุศลคำวมาสว่างนั้นสว่างเพราะธรรมคือคุณธรรมคุณงามความดีมีฐานชินภาวนาเป็นต้นนี่เป็นความสว่างด้วยสิ่งเหล่า น, นี้ด้วยคุณธรรมเหล่า น, นี้ถ้าคุณธรรมเหล่า น, น, น, น, นี้มีมากก็สามารถที่จะแทงทะลุในปัจจุบันาชาติ ตัดขาดแต่พระตักรทั้งหลายให้พ้นไปได้ในพระจักรกิจใจตนเองดังพระพุทธเจ้าของพ้นและสาวองคทั้งหลายเป็นพ้นเห็นประจักรภใน จ, จิตใจนี่เป็นอันว่าหมดปัญหาท่านอมนี้ท่า น, เ ป, นเป็นท่านที่หมดปัญหาโดยสิ่งถึงบรรดาปัญหาของโลกทั้งหมดในสามโลกนี้ไม่มีในท่านผู้เป็นเช่นนั้นสำหรับเรานี่เป็นพวกเราทั้งหลายนี่เป็นผู้แบกปัญหาทั้งหมด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 ถึงจะไม่มีมากคําว่าทุกข์ใครก็ไม่ต้องการหืผ่านมาเล็กน้อยก็เป็นสิ่งที่ไม่สะดวกภายในจิตใจเช่นเดียวกันนักปราชญ์าท่านถึงตำแหน่งที่เราเป็นชาติที่เหมาะสมและอยู่ในวาระอยู่ในวัยที่เหมาะสมอยู่แล้วด้วยถ้าคนการไม่ขาดตกบกพร่องอันใดหูตาก็ดีจิตใจก็ไม่เป็นไม่บาดเสียจีวิตได้มาประพฤติสมจริง การปฏิบัติศีลธรรมรักษาศีลชาติธรรมนี่คือว่าเป็นการบำบุ l ส่งเสริมคุณธรรมที่เคยมีอยู่ภายในจิตใจของตนได้มากและเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลําดับลำดับคําว่าการส่งเสริมนั้นก็คือการบำบุ l ต้องเจริญขึ้นโดยลำาับลดับอะไรก็ตามเมื่อ้รับการบำบุง o ย่อมจะมีความเจริญมุ่งเดินขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่มีดินดาณก็เติบโตขึ้นแม้แต่ต้นไม้ก็ยังต้องเติบโตเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ าขาดการมุงมุงเชื้อถึงนั่นเป็นสิ่งที่จ ะ, จะเจริญได้และเสริมได้มันก็มีทางเสริมได้นเหมือนกันจิตใจเราร้องหาความเคยเหลือจากเจ้าของอยู่เสมอแต่เราไม่ชาบว่าจิตใจร้องหาความเคยเหลือจากเจ้าของคือจิตใจหวังความปลุกอยากจะพ้นจากความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจความทุกข์เพราะเหตุใดก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่พอใจเลยอยากพ้นอยากดกีให้พ้นไปได้ถ้าพอจะดีไปได้ในสถ า, านที่ใด หรือคู้ใดที่จะพอปวดเพื่อความทุกข์ความลําบากความในจิตใจของตนให้ออกได้หรือออกจากทางกายที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วย <c oughs> ก็อยากจะให้ไปพึ่งพาพู้นั้นให้ช่วยปวดเพื่อแต่นี้จำต่างคนต่างจําเป็นมีภาระเท่ากันหนักเท่ากันจะยกข้อของคนอื่นมาลาบอีกก็ไม่ได้จะไปแบง่งหนักแบ่งเบาให้คนอื่นก็ไม่ได้เพราะต่างคนต่างมีมีตั้งแต่บุบายช่วยสอนงินไปนั้นนี่เราพอจะทราบได้ไว่าจิตนี้มีความ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 ทาระไม่พ้นจากสิ่งที่กดทั่วจิตใจอันเป็นเรื่องของทุกข์นั่นเลยก็มีเราเท่านั้นที่จะพยายามปลดเปลื้องสิ่งที่กดผีบังคับจิจตใจให้มีความสะดวกสบายเฉพาะอย่างยิ่งมีความสงบเย็นใจในขณะที่ภาวนามีสนองความต้องการของใจสนองความเรียกร้องของใจและพยายามแก้ไขก็โดยลำดับความต้องการของใจนั้นก็จะปรากฏขึ้ น, นเรื่อย ตาผลผลมีเป็นความสุขความสบายเป็นเรื่องมีสมกับใจมีเจ้าของมืออย่าร้องหาเจ้าของเจ้าของก็ช่วยขึ้นเดียวก็บสัตยิ่งเข้ามาหาเจ้าของเจ้าของก็ช่วยมีชุนักเป็นต้นมีใครจะกัดหรือใครจะฆ่าจะตียิ่งเข้ามาพึ่งเจ้าของเฮ้ยมีจิตใจขอเป็นสมัติอันหนึ่งของเราซึ่งเราจะต้องช่วยหลือพิจารณาแก้ไขดัดแบบปลง ให้อยู่ในความปลอดภัยอย่างน้อยกับความปลอดภัยมากกว่า น, นั้นกับความเจริญก้กาวหน้าขึ้นไปโดยลำหนักด้วยการตั้กอบคุณงามความดีอย่างไรเราก็จะต้องได้พึ่งเราอยู่โดยดีอัตตาเหตุโนนาโลนี้จะพ้นไปไม่ได้ในเวลาที่คับขที่คับขันพ่อก็เป็นพ่อแม่ก็เป็นแม่ยกไว้ไม่ปฏิเสธ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 จะยกตัวพอไหวไหมจากทุกจากความลําบากลําบนจากความกระทบกระเทือนในระหว่างกายกับอิเอือเช่นเกิดความเจ็บไข้ได้ปวดขึ้นมาหนักเข้ามาหนักเข้ามาเป็นยังจะยกไหวไหมสติปัญญาเราจะยกไหวไหมความเสียยขนาดสามารถเพียงแค่ไหนที่จะหลบผีปิดตัวได้จากความทุกข์ที่ประดังกันเข้ามารอบตัวนี่อือไม่ว่าข้างบนข้างล่างรอบตัวมมีแต่ความทุกข์มีแต่ฟืนแต่ไฟเราจะมีอุบายวิธี อย่างไรบ้างจะพอสู้ไหวไหมนีม่เราพยายามตวงยกตัวงเจของทดสอบแล้วของเทียบเคียงเหตุผลเจ้าของว่าเป็นยังไงพอไปได้ไหมได้ไหมได้ไหมตั้งแต่บัดนี้เรื่อยๆไปนี่เรียกว่าอัตมิคโนราโถพยายามช่วยตัวเอ ง, อา ง, งทางจงกระทั่งเป็นที่แน่ใจพอแน่ใจแล้วปัญหาแล้วนี้ตกไปหมดเลยนี่เราเรียกว่าช่วยตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วไม่มีปัญหาช่วยโดยทาง จิตตะวรรนาพิจารณาตดเป็นอย่างเพราะถท า, ทาระอันนี้หนักมากข้าศึกอันนี้หนักมากยิ่งกว่าข้าศึกใดข้าศึกในธาตุในขันธ์ถึงว่าระจะไปจริงๆโอ้โหขยหเยาแทบเคลือนหมดทั้งร่างกายและจิตใจเป็นใครไปตามๆกันหมดทีเดียวถ้ามีเครื่องดับไฟอยู่ภายในจิตคือสติปัญญาสามารถพิจารณารอบครอบให้ถึงเสตุเห็นผลแยก ส่วนบานส่วนออกได้ย่างชาัดเจนกระจัดภายในใจผู้นั้นน่ะคือว่าอัตนิตโนนาโถให้เต็มผูไม่รือดร้อนอยกไม่ไหวเหลือส่วนที่ยกไม่ไห ว, วก็ทิ้งซะทีอันไหนที่ยกไหวล่วอ้าจิตนะยกด้วยสติปัญญาไหวผ่านนอันไหนที่ยกไม่ไหวธาตุขันมันหนักพราหเวปัญจักขันธาพาระพาระห้าโรจตุขโลพาละอัน ขันห้ามันเป็นภาระอันหนักนะออ่านที่นะ้ดยปัญญาแล้วปล่อยมันถึงคขาจะปล่อยปล่อยด้วยกันทุกคนจะหึงหวงไว้ไม่ได้อืปล่อยให้ปล่อยด้วยปัญญาอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงห่วงก็ไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะสร้างความทุกข์ให้เจ้าของเฉยๆเพราะฝื้นเหตุฝื้นผลฝื้นหลักความจิงการปล่อยลงด้วยปัญญาให้เห็นตามความจริงปล่อยตามสภาพของความจริง น, นั่นแหละคือทางเดินของสติทางเดินของปัญญาเป็นทางราบลื่นของจิตที่จะไปอย่าง ไม่อะไรหายไม่อะไรไม่ห่วงใหญเดี๋ยวหายห่วงนี่ช่วยเจ้าของให้ช่วยอย่างนี้เอามาช่วยอย่างนี้พยายามช่วยตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปดังที่เราได้เคยช่วยตัวเองมาโดยลำดับอันไหนที่ขัดข้องข้อไหนอาศัยอุบายอุบายการมาเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาเราเรายังไม่เข้าใจที่ตรงไหนก็อาศัยท่านแนะนําเราเราก็ได้อุบายนั้นเข้ามาเป็นเครื่องมือ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 กระทบกระเพื่องกันหรือทับขมกันให้แหลกเฉียดไปเลยมันไม่สมควรอย่างนั้นเราเป็นเจ้าของเราต้องพิจนารณาแยกแยะออกหาทางหลีลกหลบภัยได้ด้วยปัญญานั่นชื่อว่าอัตตานุนนาโขไม่ผิดเนี่ยทําบทนี้มีความจำเป็นอย่างนี้ยิ่งเข้าตนทนทาตนเท่าไหร่อัตตานุนูนาโขจะมาทันทีไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นที่จะ ที่จะหวังให้ช่วยเอาเรายังหวังอย่างนั้นแสดงว่าจะก่อความเดื อ, รอดร้อนให้แก่เรามากมาเราไม่หวังทั้งหมดสาธุพูดไม่ประมาตเราพูดตามความจริงพ่อกับพ่อเขาให้นั่งอยู่สบายาเรื่อของแม่ของแม่ญาติวงช้ามีภรรยาก็ให้อยู่ตามสภาพของสิ่งนั้นๆในขณะนั้ น, น, น, น, น, นจะไปกังวลวุ่นวายไม่ได้จะผิดจับจากหลักอัตติอัตาหิสนนาโข คนกำลังจะยกคนแต่ถ้าคนอื่นมายกวคว้าจากคนอื่นนี่ยุ่งไปใหญ่เลยพึ่งคนอื่นไม่ได้นั่นน่ะยิ่งเสียหลักถ้าเป็นเรือแล้วก็จ ม, มนั้นเพื่อความถูกต้องถึงวาระจำเป็นเข้ามาจริงต้องเป็นอย่างนั้นต้องปล่อยวานไว้ตามเป็นจริงสิ่งใดสิ่งใดก็ทราบแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้ให้ปล่อยตามสภาพเราจะไปขวางเวลานั่นเที่ยวเราจะไป ความเรือกปล่อยให้มันไหลไปอันนี้เหมือนกันคติธรรมชาติคติธรรมนานี่เป็นเรื่องใหญ่โตเราต้องทราบเรื่องัญญปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงเราก็ผ่านได้อย่างสบายหายห่วงอยองอัตตาหิจโนนะโถถ้ายังไม่เข้าใจธรรมอัตตาหิจโนนะโถนี้ปริณาพิจารนาให้ดีนี่เป็นทำขั้นสูงไปเดยลำดับ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 เหลือได้ถ้าตนของตนไม่มีแก่ใจที่จะพึ่งตนได้สักอย่างเดียวเลย ไ, ไปที่ไหนก็เท่าเดิม น, นี่นี่จนการทำธรรมะภายในก็เหมือนกันอย่างนั้นเราพร้อมเสมอที่จะรับจากฟังจากท่านปฏิบัติตนแก้ไขตนเมือเ่อได้รับโอวาทจากครูจากอาจารย์จากธรรมในบทต่างๆหรือสูตต่างๆคัมภีร์ต่างๆย พ, พร้อมที่จะดําเนินตนไปตามหลักธรรมนั้นๆนี่เสือเราตนเครื่องมือของเราเขาพร้อมเสมอเขาพอพึ่งตนเองได้ด้วยเครื่องมือ พึ่งตนเองได้ด้วยการปฏิบตัติพึ่งตนเองได้ด้วยสติปัญญารูดพร้นไปนำ้ำหนักดับด้วยการพึ่งตนเองหนักหนาเป็นอย่างนั้นสร้างความสว่างสร้างขึ้นที่ใจก็ความมืดมันอยู่ที่ใจอากาศมืดเดี๋ยวนี้มืดมันพรุ่งนี้สว่างขึ้นมาได้เอจิตมืดมันสว่างไม่ได้ถ้าไม่แก้ไม่ตามไปคือสติปัญญาตั้งคาความเพียรเข้าไปหาจิต จิตไปหาความสว่างไม่ได้เพราะจิตไม่ใช่ดวงอทิตย์ถุจิตเป็นจิตจะสว่างด้วยปัญญาเราต้องพยายามสร้างความสว่างขึ้นภายในจิตพอจะมืดมาพ่ายสว่างไปะหรือสว่างอยู่สว่างไปเป็นสุขะโตขอให้ทุกทุกท่านนำตัวพิมุขิเดานะการแสดงความกอเห็นก่อนก่อนเป็นความดุจใจกัางธรรม a o no,